อมาสะธรรมปริยายะสะอัโทสาทายะสะมันเตหิสักจังธรรมโอโสตบโมตีเข้าที่ที่นั่งสมาธิขอทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงตั้งใจตั้งสติรรู้อยู่กับลมหายใจใจเป็นฐานใจเป็นภาชนะรองรับ ธรรมะธรรมกับใจคงกืนเป็นอันหนึ่นนงอันเดียวกันด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความรู้ชอบความเห็นชอบอเบื้องต้นกำหนดบริกรรมภาวนา รู้หายใจเข้าพุทธนึกพุทธหายใจออกนึกโทส่วนมากการเอาลมหายใจเป็นเป้าหมายเป็นฐานเป็นเครื่องรู้ของใจเครื่องรึกของสติลมหายใจนี่แหละ พัดลมหายใจก็เป็นกายแต่เป็นกายละเอียดอเองว่าในหลักกายคข า, าสติสติกำหนดกายก็คือกำหนดลมหายใจสติระลึกรู้ใจรู้ระ็ บ, บริบกรรม โทษพูดโทเนี่ยให้ต่อเนื่องกันข้อสำคัญการบริกรรมรละลึกรู้นี่แหละให้เป็นสัมปชัญญะนี่จึงเรียกว่าทรรมจริงทรรมจริงปฏิบัติจริงการปฏิบัติธรรมธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริง อุปพฤฒ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมพระธรรมยอมรักษามาให้ตกไปในที่ชั่วที่เสียมีทุกขติและอบา ย, ยภูมิเป็นต้นใกล้ๆเข้ามาที่เราบริกรรมภาวนาพุทธหายใจเข้าโธหายใจออก เนี่ยมีความเพียรตั้งใจให้ต่อเนื่องความรู้และสติก็จะไม่ไปทาหน้าที่อย่างอื่นทั้งความรู้ทั้งความระลึกรู้ก็จะกลมกลืนกันอยู่กับคำบริกรรมกับการบริกรรมพุทธหายใจเข้ารู้โทรหายใจออกรู้ นี่คมกืนไม่สายแสไม่วอกแวกถ้าหาว่ายังมีวอกแวกยังมีแวบไปเรื่องอื่นนั่นเดียวว่าขาดความเพียรสติขาดช่องสติขาดช่องสติไม่เป็นกำลังไม่เป็นกำลังไม่เป็นลูกโซ่ไม่เป็นสายโซ่ต่อกัน เพราะฉะนั้นก็สำคัญหรือบริกรรมให้มันทีให้มันแนว่วแนบแน่นสติสติเกิดที่ใจความละลึกลู้ก็เกิดที่ความลู่ลูนี่แหละแล้วคำนึกจิตตังผู้นึกก็เกิดที่ใจก็นึกขึ้นมาที่ ใจรู้ๆนี่แหละเพราะฉะนั้นความเพียรต่อเนื่องคันทาจริงปฏิบัติจริงไม่ให้พุทธโธหายไม่ให้สติเผอออกไปจากพุทธโธกับลมหายใจกับความรู้ผลจะเกิดขึ้นไม่ต้องปานา ไม่ต้องปราทนาว่าความสงบความเบากายเบาใจไม่ต้องประหยะไม่ต้องไปปราถนาเพราะทั้นให้ทำหน้าที่เอาใจใส่อย่างเดียวทำหน้าที่วริกรรมภาวนาเรยกว่าปฏิบัติสมถะมกรรมฐานคือทางสติลง กับฐานคือลมหายใจให้แน่วแน่ไม่ต้องไม่ต้องใช้สัญญามาส่งตามคำพูดคำอธิบายแตนเเอาฐานของธรรมให้แน่วแน่รู้อยู่กับพุทธโทพุทธโทอย่างเดียวส่วนเสียง ธรรมะที่จะพูดอธิบายไปเป็นอารมณ์ของธรรมก็เป็นอีกสว่วนหนึ่ง้ า, าวัจใจของเราแนวลงเป็นสมาธิคงมกืนกันนีสติมั่นคงอยู่กับความรู้กับคำมลิกรรมกับลมหายใจ จนละเอียดจนมันปล่อยวางรูปปล่อยวางสิ่งที่สัมผัสอยู่รอบๆไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปร่างกายเหลือแต่ความรู้และเหลือแต่กายละเอียดคือกายในจิตกายในจิตกายในความรู้นั่นเป็นเรียก ว, ว่าเป็นกายในจิต ลึกเข้าไปจนไม่ปรากฏว่ามีกายไม่มีรูปมีแต่ธรรมชาติรูปเด่นสว่างอยู่ก็อยู่กับตรงนั้นแหละไม่ท้องไปวิตกวิจาร์อะไรถ้าไปวิโตกวิจาร์มันก็เป็นความหยาบขึ้นมาที่มันจะเป็นอะไรก็เขาจะเป็นไปเองหรอกที่นี่เมื่อ เมื่อเราอบรมบริกรรมกำหนดรู้มันละเอียดเข้าไปมันเดี๋ยวว่ามันติดมันติดเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติรู้ล่ะเาคัญในเบื้องต้นว่าเอาลมหายใจเอาสติระลึกรู้ลมหายใจสติระลึกรู้นึกพุทธ หายใจเข้าโทรหายใจออกนี่แหละใ ห, ให้มันแน่วแน่ <c oughs> นี่เป็นส่วนของการฝึกอบรมสมถะธรรมบริกรรมภาวนา คือใช้การนึกสั้นๆเรียกว่าบริกรรมถ้าเราสวดบทธรรมสาธยายเป็นบทยาวไปเรื่อยเรียกว่าสาธยายภาวนา้นนั้นก็ดีเวลาเราสวดมนต์ไหว้พระสาธยายภาวนากอสำคัญก็ทำสติให้รู้ เป็นปัจจุบันนั่นแหละีเป็นปัจจุบันจิตก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่กับบทสาธยายทำให้กายเบาจิตเบามีความสุขมีความสุขในการสาธยายภาวนาเหมือนกันกับบริกรรมภาวนา การตั้งสติการกำหนดรูเหมือนกันและขณะที่กำหนดรูก็เรียกว่ามีความสำรวมความสังวรนี่จึงว่าศีลศีละ ส, สังวร ศีนก็ทำงานกลมเกืนกันกับสติความมีสติต่อเนื่องนั่นแหละเรียกว่าเป็นสติสมบูรณ์เป็นศีรษสังวรคือเป็นความหนักแน่นของความระลึกรูปศีนทำงานกงมเกืนกันกับ สมาธิสมาธิคือความตั้งใจไว้มั่นตั้งใจไว้ชอบตั้งใจบริกรรมภาวนาอยู่ขณะ น, นี้เดียวนี่แหละนี่เรียก ว, ว่าตั้งใจไว้ชอบเมื่อศีลแน่วแน่ศีลความสังวร กายสังวรวาจาอันนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ความจริงแล้วสังวรกายสังวรวาจาก็คือสังวรระวังรู้ที่ใจเึงว่าต้นของศีลยิงๆิงอยู่ที่ใจลากเงาลากเงาของศีล การรักษาศีลที่พระพุทธเจ้าสอนศีลสังวรความสำรวมงดเว้นโทษเขาสำรวมที่ใจเห็งว่ารักษาศีลเอาเข้าจริงๆคือรักษาใจอันเดียวแต่น้อมออกมาภ า, ายนอก เขาเป็นรักษากายด้วยรักษาวาจาด้วยที่นี่จะรู้กายรู้วาจาเก็เป็นใจอันจรงว่ารักษาศีลห้าอันมีอาการห้าก็มีใจเป็นมหาเหตุ ใจเป็นผู้สั่งการใจคือธรรมชาติรูปทำให้สัญญาสังขารทำหน้าที่เรามีใจ่ว่าสังวรใจรักษาศีลกับรักษาใจ สาใจค่อยออกมาภายนอกกายวาจานี่เมือ่อศีลสมาธิศีลที่ฝึกดีแล้วฝึกสังวรสังวรรู้เท่า ในส่วนกายในส่วนวาจาแล้วก็รู้เท่าการสัมผัสทางอายตนะเพราะอายตนะนั่นเป็นประตูเป็นประตูเป็นหน้าต่างเป็นช่องเป็นช่องที่จะให้ความหลงเกิดขึ้น ถ้าไม่มีความสังวรไม่มีความตั้งใจมั่นไว้ความหลงความเผลอความเผลอเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะตาเห็นเกิดขึ้นเพราะหูสัมผัสเสียงเนี่ยนีจึงว่าเกิดความร้อน อาเเผอถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญารวมสุดท้ายมันต้องใช้ทั้งศีลสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันให้เป็นองค์คารักษ์ให้เป็นนายเวณนายามนายประตูเรียกว่าเป็นผู้รักษาประตู ทั้งหกประตูหูสัมผัสเสียงธรรมะศีล ส, สมาธิปรรัญญาทำหน้าที่รู้เท่าทันรู้เท่าทันเสเสียงเสียงก็สักแต่ว่าเสียง หรือว่าเสียงที่จะประกอบการงานของเรารเสียงพูดจาเสียงแนะนำเสียงโต้ตอบในเรื่องการเรื่องงานต่างๆนี่มีธรรมะมีการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม มีศีลสังวรมีสมาธิตั้งใจไว้ในการได้ยินมีปัญญาอรอบรู้เหตุผลรู้ด้วยความรู้รู้ด้วยความมีสติได้ยินด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญารอบรู้ ก็ไม่หลงถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญารอบรู้ก็หลงหลงเสียงแหละเสียงนินทาว่าร้ายหรือเสียงร้องลำํำทำเพลงขับกล่อมให้หลงไหลไฟฝันในความเพลินมันก็จะเป็น เกิดเป็นไฟเป็นความร้อนเรียกว่าเป็นลาคะลาคะคือความกำนัดย่อมใจใครในเสียงนั้นใครไปในทางไม่พอใจก็ร้อนใครไปในทางที่พอใจก็ร้อนเ้เพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันถ้ามีธรรมเป็นเครื่องคุ้มกันนไม่ร้อน รูเหตุรูผลจากเสียงที่ได้ยินได้สัมผัสนั้นแล้วก็ผ่านไปอย่างว่าธรรมะเป็นองค์ครักคือศีรสังวรเลยแค่สติสมาธิความตั้งใจไวชอบปัญญารอบรู้ตะตูหู ประตูตาตาเห็นลูกหมูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นประตูลิ้นสัมผัสรสประตูกายหมดทั้งตัวสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนิ่มนวลประตูใจ รับรู้วารมอดีตอนาคตนี่เมื่อมีการภาวนามีการภาวนามีการปฏิบัติธรรมนำธรรมะเข้ามา ปฏิบัติพระธรรมจะรักษาไม่ให้เกิดความทุกข์ไม่ให้เกิดความร้อนเพราะปัญญาสติสมาธิปัญญาทําหน้าที่คุ้มครองทําหน้าที่คุ้มครองทําหน้าที่กาจัดความลุ่มหลง ทำจัดความไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้จริงตามเป็นจริงได้นี่ประโยชน์ของการเจริญธรรมะนี่ให้เจ ร, ริญให้เจริญให้ปฏิบัติต่อตาหู หมูรีนกายใจนี่เรียกว่าอินทรีสังวรอินทรีสังวรศีลอินทรีเมื่อแก่กล้า ก, ก, าก็ก็เป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นเป็นความมั่นคงก็หนุนปัญญา ปัญญาที่จะไข่ควรให้ลูกสมมติตามเป็นจริงลูกตาเป็นเพียงธาตุลู่วิญญาณตาเป็นเพียงธาตุลูกสิ่งที่ ให้ตาเห็นให้วิญญาณรับรูปคือรูป ก, ก็เป็นธาตุนี่เมื่อปัญญาละเอียดเสียบแหลมพิจารณาเข้าใจกับสิ่งที่กระทบสัมผัสลงสู่ธาตุเห็นเป็นธาตุตามธรรมชาติ หมูเป็นธาตุไม่ได้หลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นนั่นเป็นนี่นี่ธรรมะคือปัญญาเมื่ออบรมให้กลมกลืนมีกำลังเรียกว่าเป็นอินทรีย์เป็นพาระจะทำหน้าที่ กำจัดความหลงกำจัดความเมืดที่เป็นเหตุให้เกิดราคะความกำหนัดอินดีหลงอินดีพอใจไม่พอใจในเมื่อมีความหลงแล้ว มันก็ผิดไปได้เกิดความผิดเกิดความร้อนเกิดความวุ่นวี่วุ่นวายแต่หาว่าตาไม่ดีนะตาเมิดมองไม่เห็นไม่รู้ความเป็นจริงถ้าตาสว่างคือตาปัญญานี่แหละ เพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาทำหน้าที่เข้ามาพิจารณาลูกลูกลูสักเพียงจะเป็นธาตุยิน ญ, ญาณความรับรูปเป็นธาตุลูกที่ให้สัมผัสกับตาก็เป็นธาตุ หูก็เป็นธาตุเป็นอวัยวะเป็นอายตนะอันหนึ่งเรียกว่เป็นอายตนาธาตุเสียงวิญญาณหูที่ให้รับรู้เสียงก็เป็นธาตุเสียงที่เกิดขึ้นสัมผัสกับวิญญาณกับหูก็เป็นธาตุ นี่รูเท่าทันด้วยสติปัญญานี่จะไม่เป็นทุกข์เสียงด่าก็จะไม่เป็นทุกข์เสียงสรรเสริญก็จะไม่หลงไม่พองตัวเป็นทุกข์จต่กก็เหมือนกัน สำหรับสัมผัสกลิ่นเพราะมีวิญญาณความรับรู้นั่นแหละเป็นตัวให้สัมผัสกลิ่นเหมน็นกลิ่นหอมอกลิ่นชวนชอบใจไม่ชอบใ จ, จโมกก็เป็นธาตวิญญาณความรับรู้กลิ่นเพราะเป็นธาตุกลิ่นที่สัมผัส กับวิญญาณให้รับรูปทางจมูกก็เป็นธาตุเนี่ยธรรมะศีลสมาธิปัญญาทาหน้าที่หล่อห ล, อ, ลอมเผาผ่านความไม่รู้ให้เกิดเป็นความรู้หรือว่าสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น โดยธรรมะคือสติสมาธิและปัญญาก็จะไม่หลง <c oughs> ไม่หลงในอินทรีย์ทั้งหกจมูกลีนกายใจเมื่อไม่หลงในอินทรีย์หก นก็ไม <c oughs> ่มีทุกข์นี่เดินปัญญาปฏิบัติธรรมเจริญปัญญากำหนดรูอายธตนาธาต หรียว่าอินสี่หก <c oughs> ถ้าไม่รู้ล่อจหลงเขาไปยึดไปไข่ไปยินดีพอใจเรียกว่าหลงโลกกระทำหลงธรรมประจำโลก <c oughs> พอทำหรอนี่มันมีมันมีอยู่ในโลกนี่แหละ โลกที่มีกายมีใจมีสัญญาสังขารวิญญาณที่มีรูปมีกาย <c oughs> สัตว์โลกที่ประกอบด้วยขันหานี่แหละรูปประขันรูปร่างกายนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โลกขันศีไม่มีลู ก, ลกขันศมีแต่ใจมีแต่สัญญาเวทนาทังขานโลกของขันศีโลกขันห้าที่อย่างพวกเราทั้งหลายเนี่สัตว์ดิร้ชานที่เกิดมามีรูปมีร่างกายก็มาทุกข์อยู่เพราะ หลงในขันเนี่ยอันจึงมีปฏิกิริยาให้เกิดคำว่าทุกข์หรือทุกขเวทนาหรือว่าทุกขสัตว์ทุกขสัจจะทุ ก, ทกคือความทนนยากที่มันแปรปวนเป็นอนิจจังอนัตตา เพราะมันมีทุกขังเพราะมันมีทุกข์สัตย์มันอยู่ด้วยกันทุกขังอันนี้จังนัตตามันมีอยู่ในขันห้านี่แหละมีอยู่ในสัตว์ที่ประกอบด้วยขันห้านแม้แต่และเอียดเข้าไป ผู้ที่มีขันสี่ขันหนึ่งก็ยังไม่พ้นอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาเนี่ยนี่บรรดาที่ยังมีขันอยู่ขันห้าก็ตามขันสี่ก็ตามขันหนึ่งคือเลี้ยแต่ใจที่ประกอบอยู่ด้วยสัญญาเวทนาในจิตนั่น มันก็ยังไม่เที่ยงยังเป็นนาณาตาอยู่เ <c oughs> พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้คน้นคว้าประพฤติปฏิบัติเพื่อหาหานทาง ให้พ่คลายทุกขและให้พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปในที่สุดพระองค์จึงได้พบเส้นทางได้พบปฏิปทาคือการดำเนินการฝึกฝนอบรมการสั่งสมบุญบารมีบุญญาธิการ บารมีทั้งสิบประการสีระบารมีปัญญาบารมีสุดท้ายปัญญาบารมีเมื่อเต็มเต็มมาจากทานบารมีสีระบารมีเมตตาสัจคจันติอธิฐานะ ฉันมาเต็มเป็นปัญญาบารมีเบิกบานเป็นพุทโธรูร้ตื่นเบิกบานหรือเป็นโพธิญาณรู้แจ้งแทงตลอดในสพเยยะธรรมทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เป็นผู้ สร้างบารมีเป็นผู้ลงมือประพฤติปฏิบัติค้นคว้าจนที่สุดเต็มแล้วก็ได้นำปฏิปทาการดำเนินมาสอนอินเทวสอนธรรมะศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอน ผู้ที่ประกอบด้วยขันห้านี่แหละและก็ผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาที่พอมีเชื่อมีเชื่อแห่งศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วนันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละ น, นี่เรียกว่าเป็นผู้มีบรารมีเป็นผู้มีนอ นอมีพันอันหน่พันแห่งพุทธังกูลหน่พันของพระพุทธเจ้าที่จะให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานที่จะทําให้ศีลจเจริญงอกงามสมาธิจเจริญงอกงามปัญญาจเจริญงอกงามและก็เบ่งบานในที่สุดได้ พวกเราที่ได้รู้ได้ยินได้ฟังอยู่ขนาดนี้เดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นให้มีความเพียรอย่าท้อถอยมีความตั้งใจไว้ชอบตั้งใจไว้ในการที่จะประพฤติปฏิบัตินี่แหละที่จะเจริญศีล ให้ยิ่งขึ้นไปสมาธิให้ยิ่งปัญญาให้ยิ่งตามแบบที่ได้ยินได้ฟังแล้วที่ได้ประพฤติปฏิบัติมานี่แหละไม่มีแบบอื่นไม่มีฉบับอื่นไม่มีอุบายไม่มีอุบายไม่มีปฏิปทาอย่างอื่นที่จะทำให้อ พ้นจากบาปจากทุกขจากบาปจากกรรมว <c oughs> ิบากทุกในอบายยภูมิสี่ก็มีอุบายอันเดียวนี่ เ, เพราะว่าอบายยภูมิสี่นั่นมันเป็นสถานที่ทรมาน แม่ผู้ใดเข้าไปสู่แวดวงแห่งภูมิทุกขติภูมิทั้งสี่นั้นแล้วจะเข้าไปสู่ได้ก็เข้าไปสู่เพราะได้เพราะการกระทำของเรานั่นเองเข้าไปสู่ได้เพราะมีปฏิปทาเหตุที่จะให้เข้าไปรือความไม่ กลัวบาปเพราะไม่เห็นโทษของบาปของอกุศลไม่เห็นโทษของการกระทํากรรมที่เป็นอกุศล น, นี่จึงได้กระทํากรรมทั้งทางกายทั้งวาจาและทางใจนี่ทางมนโนกรรมทั้งกายกรรมวาจีกรรมเห็นว่ามันออกมาจาก มโนกรรมเป็นอันดับแรกเพราะความรู้ผิดความเห็นผิดความไม่รู้ตามเป็นจริงความไม่เห็นกรรมที่เป็นบาป่าจะให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยทำไปด้วยอำนาจแทงความหลงความไม่รู้ทั้งนั้น เมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติให้ลูกลูกเพราะการได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนหรือว่าศาสนาศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ลูกแล้วว่ากรรมเกิดจากกายกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรม นีม่มโนกรรมคือใจนี่แหละเป็นมรดกเป็นสมบัติอันล้นค่าจึงให้มาจเจริญธรรมะทำปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ได้จเจริญมาแล้วกระทำมาแล้วเห็นโทษของบาปกรรมที่กระทำด้วยความไม่สำรวม แล้วก็ให้มาสํารวมมาสังวรในว่าสร้างสติศีละสังวรสังวรใจสอนใจให้มันเห็นโทษให้มันเห็นให้มันรู้วิบากเกิดจากการกระทํำที่เรียกว่ากรรมคือการกระทํา ทุจริตทางกายทางวาาิจารทางใจใเมื่อมาฝึกภาวนาเจริญสติควบคุมใจจนเป็นปัจจุบันได้จนเป็นสมาธิคือความรวมของใจ ลงสู่ความตั้งมั่นแน่วแน่เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละมันจะรู้จะเห็นะจะเห็นโทษเห็นเหตุของบาปเห็นผลของบาปเห็นเหตุของบุญเห็นผลของการทำบุญทำความดีทำความสุจริต พราะท่นท่านจึงให้ภาวนาเว่าให้ปฏิบัติไปพร้อมกันศีลสมาธิและปัญญาเภาวนาเว่าให้ทำบุญทำทานให้อภัยทานให้วัตถุทานนี่รวมอยู่ที่กายใจของเรา น่าจะอยู่ที่อื่นแล้วต้องเป็นผู้ทําเองปฏิบัติเองเรียกว่าสมบัติธรรมสมบัติโลกปัจจัยเครื่องอาศัยของกายนั่นเราทํามาอยู่แล้วเราได้อยู่แล้วเรามีอยู่แล้วเบียนชานบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มอยารักษาโลก <c oughs> เงินทองปัจจัยเครื่องแลกเปลี่ยนรายการใส่สอยเราหามาอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วแค่ น, นั้นเป็นความสุขความสะดวกสบายเกียเ่ยวกับร่างกายเนื้อหนังมังสังของเรานี่แหละมันอาศัยมันพึ่งกันได้แค่นั้น ให้ลูกว่าปัจจัยสี่เป็นเครื่องเลี้ยงกาย<ม>แต่ร่างกายนี้ถึงแม้จะเลี้ยงดีขนาดไหนท่างกายของเราเองกายของลูกของหลานของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกันมันก็มีที่สุดของมันการเลี้ยงการดูการบำรุงบำาเลอพอให้มันมีความ สงบสูขมีกำลังวังศาของกายนะมันมีที่สุดของมันอยู่บำรุงบำเลไปแต่ละวันลวันมันก็จะเจริญขึ้นในเบื้องต้นมันพึ่งเกิดใหม่ขัดบำรงไปมันก็จะเจริญจเจริญขึ้นถึงขีดสุดจำกัดของมัน แล้วมันก็จะเสื่อมลงมันมีเท่านั้นหรือบางทียังไม่ถึงจุดเจริญของเขามันก็เสื่อมหรือมันสลายไปก่อนด้วยอำนาจของกรรมที่บาปให้ผลเรียกว่าอุปาคตกรรมกรรมตัดรอนไปก่อนก็สิ้นสุดชีวิตหรือไม่ก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ แอกซ่อนเข้ามานี่ท่านเรียกว่าอุปคาตตกรรมกรรมที่เราทำไว้แล้วมันเป็นวิบากตามให้ผลกำลังเจริญกำลังจะได้รับผลกำลังจะได้อยู่ในวัยทำการทำงานพ่อแม่ก็จะได้พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องแต่ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าอุปคาตตกรรมกรรมตัดรอน เพราะมีอุปธรรมพกกรรมกรรมในอดีตที่ทำไว้แล้วก็อุปธรรมค่ำชูกันมาจนมาถึงระหว่างอุปคาตตกรรมก็ตัดรอนไปก่อนนี่สิ่งเหล่านี้พทธเจ้าท่านก็สอนให้เราพิจารณาเพราะฉะนั้นเราจึงได้สวดสาธยาย อมวิหารสี่แห่เมตตาตนเมตตาสัตว์พระุทธเจ้าท่านให้รู้เรื่องให้รู้เรื่องของเรากรรมสกมิกรรมทายาโทโกรมโยนิกรรมพันทุกกรรมปฏิสารโนเราจะทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือรเป็นบาดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไป นี่ก็ต้องภาวนาภาวนาให้รู้เรื่องของกรรมด้วยภาวนาให้รู้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในลักษณะทั้งสามประการที่เป็นส่วนของปัญญาให้ปัญญาตั้งพิณิพิจรารณานี่เมื่อ เป็นผู้มีความเพียรเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ของกายประโยชน์ของจิตประโยชน์ของกายเกี่ยวกับปัจจัยสี่เป็นเครื่องเลี้ยงกายก็ต้องขยันมันเพียรในการทำงานเพื่อเพื่อร่างกายอันเดว่า ทำงานหรือว่าปฏิบัติงานในคดีโลกในทางโลกความเป็นอยู่ที่จะเอื้อเฟื้อุอดนุนซึ่งกันและกันส่วนการงานในธรรมะการปฏิบัติธรรมธรมโมหะเวรคติธรรมจาริงผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษาเห็นคุณค่าของใจ ใจมีแต่ธรรมะเท่านั้นจะเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องฝึกฝนเป็นเครื่องสอนใจให้รู้มีแต่สติสมาธิปัญญาที่ฝึกฝนอบรมให้เกิดให้มีจึงเรียกว่าธรรมะรักษาใจธรรมะคุ้มครองใจคือให้มีปัญญา ให้มีใจมีสมาธิมั่นคงเป็นตัวของตัวเองเกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนั่นแหละจากการปฏิบัตินั่นแหะจากการภาวนาเหมือนอย่างเราปฏิบัติอยู่ขณะนี้แหละรู้ใจของตัวเองรู้ปัจจุบันรู้ปัจจุบันด้วยสติด้วยสมาธิ <c oughs> วัตถุภายนอกเงินท้องเข้าของเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องยังกายให้สะดวกสบายแต่ถึงอย่างไงอย่างไงสุดท้ายมันก็เป็นความอากตัญอยู่ ร่างกายเนี่ยมันไม่รู้ว่าเราบำรุงบำเรอเพื่อจะให้มีกำลังวงังซาหรอกสุดท้ายบำรุงเข้าไปมากขนาดไหนประครบประ ง, งมเข้าไปขนาดไหนมันก็จะแก่มันก็จะคาค่านี่ให้พิญนาพิญนาถึงความแก่ความคำค่าเกิดจากการบำรุง ประครบประงมร่างกายนี่แต่จะแก่ไปนี่แต่จะเกิดโรคเกิดภัยให้ของอยู่ของกินมากเกินขนาดขึ้นไปสุดท้ายก็เพิ่มโรคโรคเบาหวานบั่งโรคตับโรคไตอะไรร้ายยางเข้าไปละ่ะสุดท้ายว่าจะให้มีกำลังวงังสามีความอยู่เย็นเป็นสุข้ดยกลาบกายเป็น ความเสื่อมความทุกข์ทรมานขึ้นมานี่จึงเรียกว่ากายนี่มันอากตัญญูอากตัญญูต่อใจใจใจใช้สติปัญญาหาสิ่งมาบำรุงบำเลเพื่อจะให้สุขสบายสุดท้ายมันก็เอาทุกข์เข้ามาให้ ยังเดียว่าไม่เห็นคุณของใจไม่เห็นคุณไม่รู้คุณของใจที่บำรุงบำเรอเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเน่จึงให้ภาวนาให้รู้เรื่องของกายส่วนใจเนี่ยมีธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสติธรรม สมาธิทรรมปัญญาธรรนี่สอนใจสอนใจให้รู้ถึงความไม่เที่ยงแปรปวนความเป็นทุกข์สัตว์คือความทุกข์อยู่ในตัวของเขาคือความแปรปวนนั่นเองไม่มีใครมาตั้งใจให้มันแปรปวนไม่มีใครเอาเครื่องอะไรมาทำให้มันแปรปวน แต่เขาก็แปลอยู่ในตัวของเขาอันจึงเรียกว่าทุกขสัจจะความจริงของทุกเมื่อมันแปลพวนก็เรียกว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกเมื่อมันเป็นทุกมันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่คือธรรมะของจริงอเราต้องพิจารณาเมื่อภาวนา ฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติระลึกรู้สัมปชัญญารู้ตัวนะจิตใจมีความแน่วแน่แน่นหนามั่นคงปัญญานี่ก็ให้ปฏิบัติให้สร้างให้เจริญไงวแยกแยะน้อมพิารณาลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตา เมื่อมันมาเป็นอยู่ในจิตใจของเราอันมาเห็นทุกขังเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาด้วยปัญญาในใจก็ เ, เรียกว่ามันชํำล่อเอมันชํำละความหลงชํำละความไม่รู้ที่ท่านเนียอวิชชาอาวิชชาตัณหาอุปธทา น, นเมื่อมันไม่รู้มันจึงยึดมัน่น จึงว่าอุปทานว่ามันไม่รู้ตามความเป็นจริงมันจึงยึดเรียกว่าเมื่อมันยึดแล้วมันก็เกิดความอยากเกิดความอยากตามความยึดถือนั่นนั่นก็เพิ่มทุกิจว่าเกิดเป็นทุกข์เพราะตัณหาอุปทานเพราะอาวิชชาตัณหาอุปทานเพราะความไม่รู้ มีปฏิบัติธรรมสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นนี่ว่าเจริญความหนักแน่นความตั้งมัน่นโดยบริกรรมภาวนาเมื่อมันหนักแน่นตั้งมั่นแล้วก็จะก่เจริญวิปัสสนา <c oughs> <c oughs> จเจริญปัญญา สุตามายปัญญาไห้ยินได้ฟังแล้วก็ไข้ควรมนสิการทนนว่าน้อมเข้าน้อมออกน้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณาน้อมออกไปพิจารณาภายนอกนี่น้อมเข้ามาพิจารณาภายในนี่เรียกว่าน้อมเข้าน้อมออกผนปัญญาผนเข้ามาภายในใจมาดูใจรู้เรื่องของใจ ฝนออกไปภายนอกดูเรื่องของกายของใจที่มันแปรปวนที่มันไม่เที่ยงที่มันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าจเจริญเจริญวิปัสสนาปัญญาหรือว่าสร้างปัญญาสอนใจให้รู้เมื่อสติและสมาธิและปัญญาเนี่ย ทำหน้าที่ขัดเหมือน ก, นกันกับเราขัดสนิมเหมือน ก, นกันกับขัดสนิมออกจากวัตถุต้องมีน้ำมีทรายมีกรวดมีของหยาบๆผสมกันแล้วก็มีแรงถูถูใส่น้ำถูใส่ดิน อู้ออกไปมากอะสนิมก็จะหลุดออกไปเลี้ยแต่เหล็กบริสุทธิ์หรือว่าเลี้ยแต่หม้อขาวบริสุทธิ์หรือว่าเลี้ยแต่ผ้าผ้าของเราสกปรกต้องเอาไปแช่ในน้ำใส่น้ำยาลงไปในอ่างมีทั้งอ่างน้ำมีทั้งน้ำยาแล้วก็มีทั้ง มือหรือเครื่องฟอกที่ใช้แรงให้มันสัมผัสสัมพันถ์ถูไทยกันไปมาความสกรปรกที่เกาะอยู่ในผ้าก็จะหลุดออกมานี่เรียกว่าน้ำทาหน้าที่ซักฟอกยาน้ำยาทาหน้าที่อ่างกระมังทาหน้าที่รองรับ ผู้ที่สะอาดสิ่งที่สะอาดก็คือผ้าที่สกปรกนั่นความสะอาดความสะอาดไม่ได้เป็นน้ำไม่ได้เป็นน้ำยาความสะอาดเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์นี่ก็เหมือนกันธรรมะฟอกใจเพื่รรมปฏิบัติธรรมฟอกกายฟอกวาจาหรือท้าฟอกใจ ที่เป็นมหาเหตุ <c oughs> อกด้วยศีลอันชอบออกด้วยสติสมาธิที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วไม่พังไม่เผลอแล้วเป็นความตั้งมั่นของใจแล้วไม่หวั่นไหวงอนเงี้ยนคอนแคลนแล้วก็ฝึกปัญญาปัญญาฟ้อม สุดท้ายใจในี่สว่างบ ร, ริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั่นแหละจึงจะได้รับความสุขที่เป็นอมตะที่เรียกว่าสุขที่ไม่ตายไม่แปรผันสุขอย่างยิ่งคือพานิพานท่านบอกว่านิพานังพลมังสุขขัง สุขอื่นยิ่งกว่าพานิพานหรือว่าพานิพานเป็นสู่อย่างยิ่งคือความบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งเพราะมันไม่มีอาสวะเนี่ยวิธีการหรือวิธีทางเส้นทางเพราะฉะนั้นเราจึงต้อง ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆอเหล่ากายว่าเจ้าใจของเราเนี่ยปฏิบัติอหวังความสุขอันแท้จริงอคือสุขเพราะความไม่หลงอความไม่หลงความไม่มืดสุขเพราะความรู้จริงเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกายกับใจนในขันห้านมาลู้ขันห้าตามเป็นจริงลู่อนิจจงทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงนี่วิธีอื่นไม่มีทมของจริงจะสัมผัส ได้ต่อเมื่อเรามีความเพียรทำจริงไม่ท้อยถอยก็จะค่อยได้รับผลไปเรื่อยๆความสุงในธรรมสูขข่ราะความลูกความเข้าใจความลูกความเห็นสภาวะที่มันเกิดดับเกิดดับทำเป็นจริงเห็นละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนละเอียด ที่สุดเห็นกายเห็นจิตอที่เดียว่าเห็นขันห้าตามเป็นจริงรูปเห็นนามเห็นกายใจนี่แหละมันลงเป็นสมมตุติเป็นสภาวทธาตุสภาวะธรร ม, มแล้วก็อุปทานความเข้าไปถือหรืออวิชาความเมิด นิดหน่อยไม่มีเป็นแสงสว่างโลด้วยปัญญายาณจะคุ้งอุดาปาฏิญาณังอุดาปาฏิปัญญาอุดาปาฏิวิชาวุดาปาฏิวิชาก็สว่างไม่ใช่วิชาหลงตาใจสว่างคือความตาลูกไม่มีความหลงปิดกัน้นถึงว่าอาโลโกสว่างโลด ที่ใจน่ละจึงจะจึงจะได้หยุดกันจึงจะหยุดประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อยังไม่ถึงนั่นต้องทาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเหมือนกันกับบำรุงต้นไม้ปลูกต้นไม้เพื่อหวังผล ผูกแล้วต้องรักษาดูแลให้น้ำควรดินใส่ปุ๋ยรักษาอันตรายจากพืชจากสัตว์ต่างๆ่าสุดท้ายเวลาผลออกมาก็ออกมาเองไม่ได้ไปแต่งออกดอกออกผล แต่รับทานริ่มรสของผลไม้นะนี่เป็นเองทีง น, นี่ก็เหมือนกันไม่ต้องไปเร่งผลว่าจะต้องรักษาศีลให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ภาวานาให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปคาดผลขอให้ทําเหตุปัจจุบันสํารวมให้ดีอ สังรวมกายสัรวมวาจาสังรวมใจในการที่จะไม่ทำโทษแล้วก็สังรวมใจไม่ให้หลงวิ่งวุ่นไปตามสัญญารมให้รู้ตัวเป็นตัวของตัวเองนี่รู้หายใจเข้าหายใจออกอาลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเป็นหลักเป็นหลักปัจจุบันนี่ ไม่มีอุบายอย่างอื่นที่จะเป็นอุบายที่แยกคายมีเท่านี้เพราะพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ปฏิบัติมาปฏิบัติมาอย่างนี้ทำมาอย่างนี้จึงได้รูปผลเห็นผลและพระ อ, องค์ก็นําอุบายท่านนั้นมาสอนพวกเราอืท่านไม่ได้เอาไม่ได้ยกผลมาให้อืยคือมาสอนให้พวกเราทําปฏิบัติ เพราะต้องปฏิบัติไปตามเส้นทางนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะได้รับผลอย่างที่พระองค์บอกไว้เรียกว่าพระธรรมรักษาไม่ให้ตกไปในอบา ย, ยภูมิทั้งสี่สุดท้ายแล้วไม่ให้ตกมาเกิดในโลกทั้งสามนี่อีกเลีอยงแต่ใจเป็นอิสระธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ เฉพาะตน <c oughs> นั่นเป็นยอดของธรรมได้นำธรรมะมาอบรมมาแสดงให้ฟังเป็นธรรมะอบรมใจเป็นการแนะอุบายวิธีก็มีเท่านี้แหละ ไม่มีอย่างอื่นทำอันเอกทำทำอันเอกได้แก่ศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามาสอนมาพูดสู่ฟังทีนี้ก็เหลือแต่ว่าผู้กระทำนั่นต้องทำเองทำในแห่งธรรมะ สันทิทิโกจะต้องทําเองปฏิบัติเองแล้วก็จะรู้เองเห็นเองอาการิโกให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาเอหิปสิโกน้อมเข้ามาเรียกเข้ามาดูน้อมเข้ามาดูน้อมเข้ามารู้ที่ใจโอปัญิโกน้อมเข้ามาน้อมใจนี่แหละลงมาดูทำ คือรรมีอยู่แล้วไม่ใช่น้อมทรรมเขามาหาใจโอปนญิโกน้อมใจเข้าสู่ธรรมน้อมใจดูธรรมพิจารณาในธรรมนะเรียกว่าเจริญปัญญาพระจะตังเวทิตาโพวินโยหิผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะรู้เห็นจำเพาะตน ได้แสดงมาเพื่อสมควรแก่กาลเวลาในที่สุดนี่เอื้อนนาฏแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพุทธานุภาเวนะเอื้อนนาฏแห่งคุณของพระธรรมธรร ม, มานุภาเวนะเอื้อนนาฏแห่งคุณของพระสงฆ์สังขารภาเวนะสะทาโสถีพระวันตุเต ขอความสุขความเจริญแน่ปาร์ธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแลกขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการถุกเมื่อจงทุกท่านทุกคนเทิน เห็นเลยสงบบ่ใจสงบบ่ยังว่าให้ฟังแนวหนึ่งมันยังไปแนวหนึ่งอยู่อ๋ให้ฟังว่ามันบะเทียงไงว่ามันเทียงมันเทียงอยู่ไปตามถ้ำบ่ลู่เห็นตามถ้ำสะดุดร่วมลงซู่นถ้ำสงบดับทุก รพรนยับพร่อนเามาตุพุทธานังนามตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมงโซภะริตังกตวาโมโรวาสมกัปปจีต ชยาสิทธิธนังราพังสูตรที่ภากายังสุขั้งพลังสิริอายุจวันโนจโภคังวุธีเจยสวาสะทวาสาจะอายุจวีวสิทธิพระวันตุเตภาวะวตุสัพพมังขลังราขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ ซาทาโสธีพาวันตุเต